บันใดญาติโยมกับตบริษัทท่างหลายฟังคําแนะนํนาพระคัร์ฐานวันนี้อยขอพูดเรื่องพุทธจริญวันต้นได้พูดถึงเรื่องกำจัดโทสาจริญเมื่อวานนี้ผู้สมโมหะเจริญที่ตกจริญโมหะเจริญ ก, ก็ดีที่ตกเจริญกดีที่ทําให้สมองสึม ตัดสินใจไม่ถูกไม่มีความเข้าใจนั่นให้แก้โดยอนาปานุสิตกมฐานโดยเฉพาะอย่างที่กําลังกิจขบรนดาทปนพุทธบริษัทจะหาว่าโง่ตลอดเวลาก็ไม่ได้จะหาว่าฉลาดตลอดเวลาก็ไม่ได้ถ้ามีผู้ว่าสุรัสอารมณ์อารมณ์บางครั้งก็มีความตัดสินใจฉลาดจำง่ายเข้าใจเร็ว บางครั้งก็สืบดังนั้นจึงมีความจําเป็นทั้งเด็กจะมีกรรมฐายธร้ามาตัดไปแวันนี้จะพูดเรื่องพุทธะจริตสําหรับพุทธจริตนี้เป็นอารมณ์ที่มีความฉลาดมากพุทธะเป็นรู้ใครจะพูดอะไรเราตามมีความเข้าใจมีความรู้เป็นปกติเข้าใจเหตุผลทุกอย่างแต่ว่าก่อนจะพูดถึงจริตจะขอพูดเบื้องต้นก่อน เพราะว่าบางทีงท่านบริษัทบางท่านอาจจะเพิ่งมาแต่ว่าท่านที่เพิ่งมาถ้ามาจากสณะอื่นก็ไม่เป็นไรถ้ามีความเข้าใจมาแล้วสำหรับท่านที่เพิ่งมาแต่ไม่เคยปฏิบัติกรรมาฐานเลยในขั้นต้นเพอปฏิบัติตามนี้เวลาที่ทาผิดสงบให้รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้านึกตามมาคุณเวลาให้ใจออกนึกตามมาโ้แคะนี้ก็พอนะเพราะเวลาที่ภาวนาอยู่ก็ดีรู้ลม ใ, ใจออกก็ดีในตอนนั้นยองรักษารมแค่สงบอย่างเดียวยองอยากรู้อยากเห็นอะไรเนขาดถ้าอยากรู้อยากเห็นเข้าเป็นจิตผุ้สซ้านเป็นอวิวรนตัวที่สี่ จิตจะไม่เป็นสมาธิแต่ว่าถ้าบังเอิญจิตของท่านเขาถึงอุปจารสมาธิหรปีติเวลานั้นจิตเริ่มเป็นคิดเห็นภาพหรือแสงสีต่งตางๆปรากฏขึ้นก็จนยาสนใจภาพหรือแสงสีต่งตางๆถ้าไปสนใจเข้าภาพแสงสีจะไม่อยู่นานื่อภาพแสงสีหายไปจิตจะตก มิ้นเขาบรรดาแต่พุทธบริษัทที่ไม่เคยปฏิบัติเลยให้ถือคำภาวนาว่าพุโทโธไว้ก่อนเพราะคำว่าพุทโธเป็นพุทธานุสิตก็เป็นกรรมฐานใหญ่ควบคู่อารหณ์ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกตัวพุทเวลาให้ใจออกตะวทโธตอนนี้ไปก็จะขอพูดกรรมฐานประจําจริตวันนี้พูดกระทึงจริตถึงความฉลาด ี่เรียกว่าพุท ธ, ธจริตคำว่าพุท ธ, ธจริตเป็นความจราญเป็นความรู้พระเจ้าให้กรรมฐ า, านไว้สีอย่างคือหนึ่งมรณ า, านุสติกรรมฐ า, านนึกถึนความตายเป็นอารมณ์สองอาหารเรือวิโกสัญญาทต่เจนายอาหารเป็นสภาวะสุขพรพ สามจะทุธาสสามจทุธาพื้นฐานสี่พิจารณา่างกายเป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็สี่อุปสมานติกรรมฐานนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าถาว่าบรนดาท่านพบริสัทท่านใดจิตใจนึกถึงพระนิพพานเป็นปกตินั่นก็หมายความว่าไม่ใช่หมายถึงว่าตื่นนึกข้างวันนะ เวลาการางานมีอยู่ก็ทำงานมีจิตชิตระอย่างอื่นก็คิดแต่ว่าเวลาที่จิตว่าอย่า ง, งอารมณ์หรือจิตต้องการก็ไม่ผานหรือว่าเวลาไหวพระอุชาพราะก็ดีทำบุญบูสงกด็ดีจิตได้ฐานะพาะนิพพานอย่างยิ่งจุดเดียวอย่างนี้เชี่ยวเป็นพุท ธ, ธจริญ <c oughs> สำหรับพุท ธ, ธจริญที่เป็นเจริญตัดยอด ถ้ารงค์เขบุกคลใดทรงอยู่ในพุทธาจริตบุคคลนั้นที่ว่าเป็นผู้มีมบารมีเป็นปรมาถวรมีม่โอกาสจิมรุนิพานได้ในชาตินี้แน่นอนและก็สาหรับพุทธาจริแต่ตอนต้นกรรมฐานสี่อย่างนี่ให้ท่านให้ด้วยกัอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย ไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งสี่อย่างเดี๋ยวใครจะใช้ทั้งสี่อย่างก็ได้แปลว่าเป็นกรรมฐานพิจะะารณาในระดับแรกมรณานุสติกรรมฐานให้นึกถึงความตายเป็นปกติตัวคนทุกคนสัตว์สู้ให้เกิดมาแล้วต้องตาย <c oughs> นี่เป็นของธรรมดาไม่น่าจะเป็นของแปลกแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนอย่างนี้เพราะว่าความตายมีจริง บรรดา่านพุทธวิษัชชายหญิงเห็นว่าเขาตายเป็นปกติแต่เราไม่คิดว่าเราจะตายเราฝืนว่าคิดว่าเราไม่ตายตอนนี้เป็นความประมาทยงมีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าคนอื่นเขาตายได้ฉันใดสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายเช่นเดียวกับเขาพระองค์สมตด็จพระสัมมาสัมพระเจ้ า, จจาเคยตรัสว่าเธอจงหลายงจงไปคิดว่าความตายจะเข้าถึงเราในวันพรุ่งนี้ ให้มีความรู้สึกว่าความตายจะเข้าถึงเราวันนี้ไว้เสมอจะได้ไม่ลมาตัดชีวิตจะได้กำหนดจิตไว้เฉพาะในได้ของความดีคือเขารพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีสีบริสุสสสสท์เป็นต้นอันนี้รายการหนึ่งอีกรการหนึ่งเรื่องความตายนี้พระพุทธเจ้าเคยปรารุกับพระอานุล์สมยัยนั้นพระอานนล์เป็นปัสสาดาบัน พระเจ้าทรงตัดว่าเรียพระอนน์เข้ามาแล้วตัดถามว่าอนันทะดูกร อ, อนนนท์เธอคิดถึงความตายวันกิ่ครั้งถ้านนททูลตอบว่าข้าพรธเจ้าถึงนึกถึงความตายวันประมาณเจ็ดครั้งเจ้าค่ายพระเจ้าทรงตัดว่าอ น, นันทาดูกร อ, อนนนท์ยังห่างเกินไปตาทาโคสี่นึกถึงความตายทุกลมทั้ง ใ, ใจเข่าออกไหวไหม ใช่มบารั้งเรเองนะถ้าเรานึกถึงความตายไว้เป็นปกติเราก็ไม่ทําความชั่วเพราะความชั่วยังหยาบเป็นอย่างปาณาติบัติก็ดีอรินนาทานก็ดีการเมสรุาชาจาจก็ดีอุสาวาทก็ดีการเดินสุรามีไรก็ดีทั้งห้ารายการนี้เป็นปัจจัยให้เราเร า, เราลงอบายะพูงคือมีนรกเป็นต้น เมื่อเกิดมาเป็นคนยัตาไม่ผลกับพวกเราอีกเป็นเศษของกรรมการป่วยไข้ใบเสมาที่เกิดขึ้นกับบรรดาเทพบริษัททุกคนนั้นมาแก่เศษคือโทษฝาณาธิบายน์คือการฆ่าสัตว์ชีวิตทรัพย์สินที่ต้องเสียหายล็ไฟไหม้น้ำท่วโลมพัดโจรรักจนสมุนเปต้นอย่างนี้มาแก่ทอดินนาทานในชาก่อน าการที่มีคนในปกครองว่ายากสอนยากมาอยู่ในวัดมาจะาโทษตามเมตุนิชัยใจารในชาตกอ่อนถ้าเราพูดตามความเป็นจริงเอาไปหาว่าเขาไม่อยากจะเชื่อเราอย่างนี้เขาโทษโมสาวาาในชายกอ่อนถ้าช า, า, าตินี้เป็นโรคปวดศีรษะผิปกติก็ดีเป็นโรคซึมเป็นใส่ก็ดีเป็นโรคบ้าก็ดี โทษประเภทนี้อาการประเภทนี้มาจากโทษการถึงสุรามีไรลนไส่ก่อนเป็นนว่าปัญญเวงคือความชั่วทั้งข้าราการนี้ถ้าเราเมิดขอด้อใดข้อหนึ่งมันก็มีโทษอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเรานึกเรงความตายไม่เว็นารมณ์เราก็ไม่ได้เมิดปัญญาสินข้าราการถ้าไม่ได้วมิดสินข้าราการอย่างย่อคกอมิสอง์อย่างต่ำก็คือหนึ่งสีเลนะสุปติญญติ ผู้คนใดผู้มีศีลเป็นหัวใจชาตินี้ก็มีความสุขตายจากชาตินี้ไปก็มีความสุขศีเลนะภูกสมิสธาถ้าปฏิบัติศีลห้าบริสุทธิ์ชาตินี้ใช้ทรัพย์สินไม่เปลืองไม่เดือดร้อนในทรัพย์สินถ้าตายแล้วเกิดเป็นคนก็มีทรัพย์สมบัติมากศีเล น, น่ผููริงยันติผู้คนที่มีศีลจะมีเราสงบเยือกเย็น และก็ศีลเป็นปัจจัยเข้าขึงมัรคการในเบอง่ายนี่ถ้าเรานึกถึงความตายเวืยไปโรติจิตจะไม่ห ม, มาจะทรงไว้สึ่งความดีตามนี้อย่างเร็วที่สุดตายในความขงคนก็เป็นยุวดาทุกครแถ้ามีจิตสูงสุดก็อาจจะไปไปนิพพ า, านได้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองอาหารในวิีโกรสัญญา การพิจนนะารณาอารยภูมิสัญญ า, นะ า, าพิจารณาตามความเป็นจริงว่าอาหารทุกอย่างที่เราบริโภคเขาา้าไปนี้มีพื้นฐานมาจากความสุขปรภพพืชทุกอย่างมีปุ๋ยที่บริโภคเขาา้าไปปุ๋ยที่เลี้ยงพืชเป็นขอสุขภพสัตว์ทุกประเภศมีร่างกายสุขภพ แต่เมื่อเรากินของสุกอบโกเขาไปเรื่อยๆเลื่อยร่างกายสร้างร่างกายของเราร่างกายแล้วก็สุกอบโลกก็สร้างไป็สิ่งสุกอบลกก็ทําจิตให้เกิดนิพพทายนเขาคิดว่าร่างกายของเราจริงๆมันเต็มได้วยความสุกอบโลกโสโครกและก็ม่มีการทรงตัวท่านนึกว่าสุกรบกที่เป็นสมถะภาวนาแต่คิดว่านอกจากสุกอบโกแล้วไม่มีการทรงตัว มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแก่ไปท่ามกลางมีการสลายตัวในสุดแล้วเรามีการป่วยแข้โรงพยาบาลไปเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์ตัวนี้เป็นวิปัสาานาญาณก็คิด ต, ต่อไปว่าถ้าเรืเกิดเป็นมนุนต่อไปสภาพอย่างนี้ก็จะมีกับเราอีกเราไม่ต้องการมาอีกเราต้องการชาตินี้ชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายร่างกายนี้ตายเมื่อไรไม่ต้องการมีร่างกายอย่างนี้ การนี้คิดว่าไม่มีร่างกายอย่างนี้อีกมันยังอีกเป็นจุดของพณะนิพพานพระอรหันแล้วข้อต่อไปก็ได้แก่จะตุวธาตุฐานสีจะตุวธาตุฐานสีหมายความวิจนาตามความจริงว่าร่างกายของคนเรานี้ทีเกิดมามีธาตุสีร่วมกันสิ่งที่แข็งมีเนื้อได้กระดกเป็นต้นเทนเรวธาตุจริง ขอเหลวในร่างกายมีน้ําลายก็ดีน้ำเลือดน้ำเหนียวน้องปัสสาวะกว็าตามอย่างนี้เป็นธาตุน้ําอาการที่ไหลไปไหลามาคือลมที่เรียกว่าอาสนินเรียกว่าอาเรียกเป็นธาตุลมความอบอุ่นในร่างกา ย, ยกาที่เป็นธาตุไฟ้าสิ่งทั้งหมดจะรวมกันอยู่เพียงใดร่างกายแล้วก็สองตัวอย่างเดียนนั้น ถ้าหากว่าท่าเต็มสี่อย่างได้ยัหนึ่งสลายตัวไปร่างกายจะทรงตัอยู่ไม่ได้แต่ว่ า, า, าร่างกายนี้ความกริงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่คิดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเร า, เรา น, นี่เป็นมิปัญนายานคิดว่าเป็นท่าสี่เขารู้ตัวกันอันนี้เป็นสมถภาวนาถ้าคิดต่อไปว่าคนเราทุกคนจะไม่มีการทรงตัวท่าสี่จะไม่สามารถประสาน ย, ยัตติตลอดเวลา อันดับแรกธาตลมจะสลายตัวก่อนคือลมหายใจเขาออกหายไปถ้าลมหายใจเขาออกดับเมื่อไรเราก็ตายเหมือนั้นเมื่อธาตุลมสมหมดตัวไปธาตุไฟก็ดับด้วยความอุ่นหายไปตอนนี้ก็เหลือธาตุน้ํากับธาตุดินธาตุดินเมื่อไม่มีธาตุไฟเข้าับครับประคองก็สู่น้ำไม่ได้น้ําก็ละลายในร่างกายคนเรา เต็มไปด้วยความสุกระกโศโครก็เป็นปัจจัยให้เราเบืร่างกายเพราร่างกายนี้ทรงน้ธาตุสีก็จริงแนทแต่ว่าไม่ทรงตัวอยู่นานไม่ชาไนกา็สลายตัวเต็มได้วยความสุกระบอกโศโครกเห็นว่าสุกระบอกโศโครจะนี้แปนสุรกระมฐานเรื่การนี้ไม่ทรงตัวอยู่นานมีการสลายตัวในสุดตัวนี้เป็นอุจจารย์ แล้วกรรมฐานข้อสุดท้ายที่ท่านให้ไว้เอาสีา่อย่างใ น, นอย่างใดอย่างหนึ่งโอปัสมาลุสติกรรมฐ า, านจะมีความรู้ตามความเป็นจริงเพราะว่าวกรรมฐ า, านหมดนี้เป็นกรรมฐานของคนฉลาดที่เดวุฒิต้าเจริญ <c oughs> ก็จิตที่ตั้งไว้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาปัญญาใน้รื่ไม่ใช่มากให้เล็กน้อยก็พอรู้ ปัญญาก็พิจารณาตามความเป็นจริงของโลกวันโลกทั้งโลกมีความสุขและมีความทุกข์คนในโลกทั้งหมดมีบุคคลใดบ้างที่มีความสุขเรจะหาว่าคนที่มีความสุขจริงจริงไม่มีเลยคนที่มีความสุขจริงต้องคนไม่มีการงานและก็ไม่ต้องบริโภคอาหารไม่ต้องถ่ายอุจาระปัสสาวะ ไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายไม่มีลมขัดใจมีไม่กุญเจอารงณ์หไม่ได้เป็นอนว่าคนในโลกทั้งหมดที่ต้องทามาใหกินการท ม, มาให้กินเป็นอาการของความทุกข์โสมเลยอยากที่ต้องเหนื่อยอยากมาแล้วก็ความหิวเป็นปัจจัยความหิวก็เป็นทุกข์และการเลี้ยงร่างกายเลี้ยงในความเหนื่อยอยากเป็นความลาบาร่างกายก็มีการโซ่ตัว กินดีขนาดไหนร่างกายก็แก่ลงไปทุกวันจาราคาบระคองแบบไหนก็ดีร่างกายก็ต้องมีโรคในที่สุดร่างกายก็พังกลวงความสมบัติของโลกทั้งหมดร่างกายคนก็ดีร่างกายใส่ก็ดีมีสภาพเหมือนกันมีความเกิดขึ้นในเรื่องต้นมีความเปลีป่ยนแปลงในทัางกลางมีการสลายตัวเป็นที่นนทสุด ต้นไม้ภูเขาก็มีสภาพเช่นเดียวกันในสุก็พังเหมนกันก็รงความว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่เป็นนาเในโลกที่เตรียมไม่ีความเคล่นไหวไม่มีการทรงตัวเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราคิดว่าเราจะเกิดในโลกนี้ต่อไปแล้วก็เข้ามาประสบทุกข์ไปไตามมาตรการเราต้องการมีฐานหลังจากนั้นเขาอาศัยตัวปัญญาที่อุปสมารดี่คํมฐานตูวัญญาใหญ่ ก็คิดต่อไปว่าในขณะที่เราทรงตัวอยู่นี้อะไรบ้างมีเป็นปัจจัยแล้วมีความทุกข์เราก็เห็นว่าจุดใหญ่จริงๆต้นเหตุของความทุกข์มีสามอย่างคือหนึ่งโลภความโลภสองโทสะความโกรธสามโมหะความหลง คำว่าความโลภในที่นี้คาว่าดาจะพุทธศาสนาควรเข้าใจคำว่าโลภต้องหมายก็อยากได้ทรัพย์สมบัติคำวคนอื่นได้มาโดยไม่ชอบทำเอียงโกงเขาบ้างขมวดเขาบั่ ง, งเงยื้อแย่งเขาบ้างต้นเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นไปอยากได้สิ่งนี้นไม่ชอบทำท่านในวันโลกเมื่อคนที่มีความขยันหมั่นเพียรประกอบสมาธีวะคือประกอบเรื่องที่ไมชอบทำไม่คนไม่โกงใคร มีความร่มรู้แั่นตามลำดับอย่างนี้ถ้าไม่เรโลกเร็สัมมาจวัคเสี้ยนชีวิตโกิดชอบก็เข้าใจตามนะานี้นะและบริการที่สองความโกรธความโกรธเป็นปัจจัยเกิดความพุวข์กับศัตรูถ้าเรามีศัตรูนั่งก็มเป็นสุขน้อยก็มาเป็สุขหลักก็มาเป็นสุขตึยย่นก็มาเป็สุขเรต้องระวังอันตรายบริการที่สปัจจัยแห่งความทุกขก็คือความหลง สิ่งที่ไม่มีการทรงตัวคิดว่าทรงตัวอย่างร่างกายเขาเราเป็นต้นมันไม่สามารถจะอยู่โคตรทั่วฟ้าดินสลายได้เพื่อคนที่เรารักคนที่เรารคเคารพเยนปิดามารดาเป็นต้นเราหวังว่าท่านจะยิ่ขึ้นขอเราเราก็ต้องคิดตามความเป็นจริงว่าท้ากับราสักวันหนึ่งต้องจากกันด้วยความตาย ถ้าเราคิดว่าหวังท่านท่านหวังพื่งท่านตลอดไปเพราะเออท่านตายความเสี ย, จยสใจโศกใจตกใจก็เกิดขึ้น <c oughs> อย่างนี้ถือว่าระไม่เกินไปไม่เข้าใจตามความเป็นจริง <c oughs> ต้องมีความรู้สึกต่างความเป็นจริงว่าไม่มีใครสามารถจะโทรงตนได้ <c oughs> เราต้องไม่หลงไม่หลงที่ร่างกายเราด้วยไม่หลงที่ร่างกายของคนอื่นด้วยเกินไป แต่ความจริงถ้ามันมีอยู่แล้วเขงกระเพื่อนเขาคิดคิดไปวันละเล็กแตน้อยเราเฉพาะอย่างยิ่งคิดว่าท่านไม่ชาท่านอาจจะตายถ้อท่านอาจจะตายก่อนทีหลังเราอาจจะตายก่อนท่านก็ได้สิ่งที่เราักทั้งหมดเป็นวัตถุเป็นสิ่งที่มีชีวิตก่อตามเป็นวัตถุท้ายก่ตามก็จงอย่าคิดว่าสิ่งทั้นหลายนา้ิจะดูดของเราตลอดการตลอดสมัย วัตถุที่เรารักอาจจะหายจากเราอาจจะหายไปจากเรามะเรยก็ได้แต่การอย่างไรเกิดขึ้น เ, เราก็ไม่ต้งใจเพราะจบไปแล้วนี่ปัญญาของท่านที่มีอุปสมารู้สึกกรรมฐานถรารวบรวมแล้วก็คิดว่าการที่เรามีความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงกอดีเป็นปัจจัยของความทุกข์เราก็ต้องพยายามตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลง ค่อยกัดค่อยๆตัดที่เล็กกันน้อยอย่า ต, ตัดให้มากจะหนักใจเดินไปจะไร้ผลวิธีตัดกันความโลภคือจะาทานรูปสี่กรรมฐานจิดคิดว่าจะให้ทานเป็นปกติถ้าโอกาสมีเราก็ให้ถ้โอกาสมีเราทรัพย์สินยังไม่มีเรายังให้แต่เราก็คิดว่าจะให้ แต่กํลาลังใจส่วนหนึ่งที่คิดว่ายอยาจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของเราไม่มีในจิตใจของเราคิด ต, ต้องการจะให้อย่างเดียวอย่างนี้เทีติดตั้ความโลภ ก, การให้ทายครั้งหนึ่งความโลภความโลภสลายตัวเล็กน่อยหนึ่งทำอย่างนี้บ่อยๆไม่ใช้ความโลภ ก, กัสลายตัวไปจากใจ <c oughs> จึงต้องกาลังใจใเรามีความเว้น คิดว่าทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดก็ตามที่เขาไม่ให้เราด้วยความเอตยมใจเราไม่ต้องการอยากจะได้ของเขาเโดยกำลังใจอย่างนึ่งเดียวว่าถ้าหากโอกาสใดจะงมีกับเรามีบุคคลใดมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสั ย, ยเราจะช่วยแลาจะช่วยใดเราจะช่วยใหญ่เป็ต้นถ้ามีลมแตกความรู้สึกอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยไม่เจ้าธรรมไม่มีใจใจ แต่การจะคิดอยากจะให้มีอยู่อย่างนี้เดียวความโลภโกรธในใจของเรนแล้วเป็นก้าวหนึ่งที่บรรดาแต่บริษัทจะเข้าถึงฐานและรายการในสองการตัดความโกรธวิธีตัดความโกรธใช้กรรมฐานยังได้กล่าวมาแล้วเม่คืนก่อนก็เป็นความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดความโกรธแบบนิ่มนอนที่พระเจ้าถึงแนะนําให้ก็คือสศีล การทรงสินให้ก็ดีการสร่งสินไปก็ดีเป็นจริยาแะรการวตัถความโกรธโดยเฉพาะวศิณข้อที่หนึ่งปงระกอบด้วยเลิตายและโทณาทั้งสองรายการถ้าเราขาดเมตตาความรักข า, า, า, า, า, า, า, า, าดกุญาจความสงสารแล้วฆ่าสัตว์ชีวิตได้รวมความวสิณทั้งห้าขอ้อนี้มีเมตตาความรักไมโทนาความสงสารเป็นพื้นฐานทั้งหมด ถ้าเราสามารถส่งสินไปสุดไปเป็นปกติความโกรธจะต้องค่อยคสลายตัวจิตอนอยน่างน้อยและที่สุดมันก็หมดไปต่อมาตัวสุดท้ายการตัดความหลงการตัดความหลงนี่กาอนจริงถ้าเราตัดโลกได้กัดีตัโดโกรธได้ตัดีหลงก็ส่งตัวไม่ไหว <c oughs> ความหลงที่เราจะตัดต่อไปก็คือจังคิดตางความป็นตัว ว่าความเกิดของเรามีการทรงตัวไหมและคนในโลกทั้งหมดมีใครบ้างที่ไม่ตายทัศในโลกทั้งหมดมีใครบ้างที่ไม่ตายถามว่าตันถือว่าความร่ํารวยเป็นปจัจจัยของความสุขแล้วก็นึกถึงคนนี้ก็รวยจริงเขาสุขจริงหรือเปล่าความจริงความรวยก็ไม่ใช่ปจัจจัยของความสุข ความจนจริงๆก็ไม่ใช่เป็นปัจจัยความทุกข์เสมอไปมันจะสุขก็มันจะทุกข์มันอยู่ที่ใจยอมรับความจริงจริงจิตใจยอมรับความมันจริงก็มีอะไรในเมื่อร่างกายยังมีชีวิตอยู่เราต้องเลี้ยง ม, มันต้องทํามาหากินเลี้ยงร่างกายปกติถ้าปล่อยหิวก็เกิดทุกข์เกินาก็ต้องกินข้าวต้อิอาหาร ต้องทำไปเพื่อเป็นประจำเป็นอย่างที่ว่าเป็นไปตามระเบียบที่ต้องปฏิบัติต้องคิดว่าร่างกายนอกจะจะทรงตัวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วก็จะมีการป่วยได้มาสบายิดไว้ที่ว่าร่างกายของเราจะต้องป่วยขึ้นไปเสมอถ้าการป่วยเกิดขึ้นเราก็ไม่ตกใจก็คิดแล้วว่ามันจะป่วยนี่เ่าเราไม่ลงต่อไปที่ว่าร่างกายนอาจะป่วยแล้วจะมีสุดก็ต้องตาย แต่คิดไว้อย่างนี้เมื่อความตายเข้ามาถึงเราก็ไม่ตกใจมนเมืม่อเราคิดว่าร่างกายไม่ทรงตัวร่างกายมีการป่วยร่างกายมีความตายก็ยใช้ปัญญาต่อไปว่าถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปก็ต้องมีสภาพยอย่างนี้แล้วเมื่อการหยุดที่เราต้องการจริงๆคือพระนิพพานนี่คืออุปสมานุติธรรมก็หมางความว่าท่านนั่งไหลบุคคลใดตัวตาม ที่นั่งอยู่นี่อาจจะมีจํานวนมากที่จิตใจหวังไม่ทีพันเป็นอารมณ์อันนี้มีมากก็จงาเนี่ยคิดว่าบางวันก็เผลออยางสิ้นบ้างอะไรบ้างอันนี้ถือเป็นความธรรมดาเราระมัดระวังไว้บ้างแม้ไม่ได้ใช้บ่อยๆมันก็ไม่พลาดถ้าจิตใจธรรมดาใช้บริวารสัตว์หวังม่ที่พันเป็นอารมณ์ก็จงพยายามตั้งใจหนึ่งกําจัดโลภความโลภใยการให้ทาน แต่การให้ทานโยงยาให้มากจนต้องมีความหนักใจและไม่สบายกายไม่สบายใจจเดือดร้อนอันนี้ไม่ควรถ้าจะให้ก็ให้ใหพอพอดีพอควรอย่าเดือดร้อนกับตัวเราเอแต่ว่าโอกาสทรัพย์สินที่จะให้ยังไม่มีจิตที่คิดให้อย่างตรงอยู่อย่างนี้ใช้ได้เนวิชาคาราวสีธรรมทายเป็นการก้าวเข้าไปสู่นิพพานในกาลที่สอง จิต ค, คิดให้อภัยไว้เสมอที่เรียกว่าภัยทานความโกรธย่อมมีในเราและเมื่อความโกรธครายตัวมาแล้วเราก็ไม่คิดจองล่าจองฐานพุกคนนั้นคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาต้องมีความหลงติดคิดชั่วถ้าไม่สุดจิตใจอื่นเป็นของธรรมชาติพยายามคิดให้อภัยและตอนทายก็ใส่ความ คิว่าคึกคักไร้ากายเร็ๆอย่างนี้โรกเลยวๆนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกเราต้องการคือวันิพนันอันนี้เป็นอารมณ์องอุปสมามุขสมปทานเรียกว่าเป็นพทธจริตเป็นกําลังใจรูกคนที่มีความฉลาดตามหลักเกณฑพุทธศาสนาแต่ว่าวัาดาท่านพุทธศัยสัจการยาวันิภนัยของทันขอย้อนหลังอีกนิดหนึ่ง คือขอย้ำไหมทุกคนว่าถ้าเราคิดจะปฏิภัณิจริงๆก็ๆขอบรรดาทตท่านพระทวีสัจชายเพียงรักษากําลังใจของพระโสดาบันไว้เราจะเป็นพระโสดาบันหรือไม่ถึงก็ตามจงอย่าคิดว่าเราเป็นพระโสดาบันอาจจะเพียงว่าพระโสดาบันมีทรงกําลังใจแบบไหนเราทรงกําลังใจแบบได้ตามท่าน ในตอนต้นมันจะบอกงองบังก็เป็นของธรรมดากำลังใจของพระโสดาบันคนที่เป็นพระโสดาบันจริงเราคิดแบบนี้นี่เอาส่งตัวคืนหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์วยความจริงใจไม่กล่าวความบรามากแม้แต่พูดเล่นรายการที่สองตหนับครวัตรักษาศีลห้าบริสุทธิ์ รายการที่สามอีกต้องการจุดเดียวคือผ่านถ้าบันดาท่ามพุทธริษัตถนหลายทรงลังใจได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านมีรองคล้ายเฟืองประสดาบันหรืออาจจะเป็นประสดาบันเลยก็ได้ถ้าเป็นประสดาบันเลยจริงให้ท่านไสังเกตที่ศีลศีลห้าท่านจะไม่บกครองะมีฟังร้ปกระยสนายของจงิฝั ง, งม่ผัานิง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เป็นมโสดาฟันทิ้งถ้าทรงอารมณ์มณโสดาฟันได้แล้วก็ยึดอารมณ์พระอารหันเลยไม่ต้องไล่สิกิธาคาณาคาต่อไปอารมณ์พระอารหันจักตัวปลายคือตาอวิชชามีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่ามนุษย์สันโลกหรือโลกกรารมนุษย์โลกไม่เป็นที่น่ารักของเรา มนุสโลกเดียวกโลกกัเบลมโลกไม่เป็นที่พอใจของเราเพราะโลกทั้งสานี้ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนตายจากกองคนเป็นเิวดาระเบลมไม่ใช่ว่าจประเกิดใหม่มีทุกข์ใหม่เราต้การเราต้องการนีรร้ผานอยูด่เดียวเพียงเท่านี้บรรดาธรพมบริสัตว์ธรรมประจำวันไว้ไม่จะเป็นวันะเล็กน้อยก็ตามจิตกาลังใจกท่านจะรวมตัวถ้าเวลาถึงเวลาที่ท่านตายจริงๆ การป่วยคราวนั้นถ้าเอ่ยเป็นวาระทิ่ทา่านจะตายกำลังบนทั้งหมดที่ทําไว้ทั้งหมดนีด้จะรวมตัวกันพอเริ่มป่วยปับ๊บจิตจะมีอารมณ์ตัดจะมีความรู้สึกทรงตัวเฉยเฉยเฉยก่อร่างกายเจ้าร่างกายในมันจะตายเรื่อยเรื่อยเพรามันทรัพย์สินทังหลายที่มีอยู่ไม่มีปรยชน์สำหรับเราเราไม่มีความต้องกาอารมณ์ใจจะเฉย ในเวลานั้นติดหวังอย่างเดียวคือพระสิทพันธ์อย่างนี้เขาเรียกสังขารเสคขายานถ้าิดเข้าจุดสังขารเปรคายานทว่าเออที่หงท่านจตายภายในกวันตอนนั้นท่านยาบรายกดภาพในอากาศเห็นทั้งเทวดาทั้งปงแล้วก็อริยเจ้าสิมอากาศและจักรวาลที่เตมหมดถ้าวาเออเห็นเทวดาอยู่ด้นหน้า ลองไปลิมพมหลังออกไปพระอริยเจ้าเห็นภาพอย่างนี้ท่านตายจากความนั้นจะต้องเป็นตัดาแน่นอนไปพิมมอยู่แนวหน้ า, าท่าตายจากความมีคนครั้นั้นท่านก็ไปพิมพมไปเห็นพระอริยเจ้ามีพระเจ้าอยู่หน้าเราปฏิภนนานแน่นอนนี่คือบรรดาลเจาพระพุทธบาทถ้ากําลังใจ้องดาลเจ้าพรุทธบาทคิดแบบนี้มาเสมอนะ ถ้าิารณาวัากีนี้ก็รงมใจว่าวันอะไรกว่าน้อยเริ่มป่วยพับอุศลนอย่อายงไหลังไม่สามารถเข้าไหวได้กำลังใจพระนิพพานก็เกิดือเวอตรายาพ่ตายวันไหนวันนั้นเป็นพระอรหันนิพพานในวันนั้น